ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเสนอรายการทันโลกทันเหตุการณ์ค่ะ ไม่รำไรเรียกร้องใดต้องการใดแค่ทำใจเท่านั้นเนินนานพอ ร, รู้อยู่ดูเธอจากอาการเริ่ม ร, รารานมีสนความรู้สึก มีคำตอบไม่ยือรอกไม่แกล้งรอกจะหันออกยิงชช่งชอช้ำทุกนามคำว่าจีกรรมฉันยังจำจะเก็บงำแต่สิ่ ง, งนัน ทถานใจคนมันงุ้มสงสารเก็บอาการยิ้มชื่นบานสุดนอ่ำในไปไม่เป็นโครงเพลงต้องนาน บ้านก็ลืมเดินลงลงลืมลืมเบลเง้อเงื้องาบุกว่าอยากตายขนาดื่ารู้ดีเตรียมตัวที่เป็นเดืนอยังฝืดเฝืดยังจืด Good. สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับทันโลกทันเหตุการ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยเรานำเรื่องราวสาระที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันซึ่งใ น, ในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการเปิดเรียนนะครับบรรดาผู้ปกครองก็ต้องนำนักเรียนไป เรียนหนังสือนะครับมีการจับจ่ายใช้สอยแล้วครับโดยเฉพาะค่าเทอมนะชุดเครื่องแบบนะต่างๆก็คงต้องใช้หลายคนใช้บริการจากโรงรับจำนำของของรัฐของเอกชนนะครับนะเพื่อที่จะนะนำเงินมาให้บุตรหลานเนี่ยครับได้ไปซื้อชุดนะครับหรือว่าเตรียมตัวที่จะไปโรงเรียนนะก็ขอให้ในแต่ละครอบครัวผ่านวิกฤตนะเศรษฐกิจเนี่ราไปด้วยกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ก็ สภาพเศรษฐกิจนี่ก็ค่างที่จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับก็ต้องประหยัดอดออมในการใช้สอยในกรณีของพยาบาลนะครับซึ่งมีการเรียกร้องให้มีการบรรจุเป็นข้าราชการคือพยาบาลนี่ยังมีจํานวนมากนะครับนะนับหมื่นคนที่ยังเป็นเป็นอัตราจ้างอยู่ยังไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการในส่วนของนงั่งนังพยาบาลนี่ก็เรียกร้องในส่วนของรัฐ นะซึ่งรัฐเนี่ยมีการประชุมนะพิจารณาแล้วาจากการเปิดเผยของผลโทรสนเสริญแก้กาเนิดโศกของรัฐบาลก็บอกว่าคอมออนุมัติบรรจุพยาบาลวิชาชีพให้เป็นอัตราขร้าราชการนะก็ในในปีนี้จะตั้งใหม่ประมาณแปดพันกว่าตานะครับโดยแบ่งเป็นสามปนะยยีนะครับทยอยบรรจุให้นะครับปีแรกนี่ บรรจุไปประมาณ 3,000 ันตำแหน่งก่อนแล้วปีถัดไปปีสองพก็จะบรรจุอีกประมาณ 3,000 นะครับนะแล้วก็ปี2562ก็บรรจุอีก 3,000 นนะักาก็จะครบนะเพราะฉะนั้นนี่ ก, ก็ทำตามที่จะลองนะต้องหาตําแหน่งมามาบรรจุนะครับแนตะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วเขาว่าถ้าเป็นราชาการก็มีความมั่นคง ถึงแม้ว่าเงินเดือนอาจจะน้อยลงหน่อยหนึ่งแต่ว่าสวัสดิการต่างๆนะก็ก็ดีกว่ากับเพราะฉะนั้นนี่นี่นก็เป็นการคี่คลายปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบุคลากรทางสาธารณสุขและนอกจากนั้นยังมีการอนุมัติข้าราชการตั้งใหม่ตำแหน่งแพทย์เนื่องจากว่ามีนักศึกษาแพทย์ที่จบการศึกษาประมาณ 2,000 กว่าคนแต่มีตำแหน่งว่างประมาณ700 21ตำแหน่งอัตรานะครับก็เะ่นนี้ก็เลยต้องมีการเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อให้ครบตามจำนวนของนักศึกษาแพทย์นะเป็นข้าราชการนะครับประมาณ 2,000 คน 2,000 ตรานะครับแต่เพรา ะ, ะนั้นนี้ตอนนีน้เมืองไทยของเราในประชากรถ้าตามมาตรฐานกำหนดสัดส่วนให้แพทย์ประมาณ 8.3 คนต่อประชากร 1,000 0คนแต่ปัจจุบันนี้เรามีอัตราส่วนแค่6คนต่อประชากรหมื่นคนนะครับเพราะก็ยังขาดแคลนอยูใ่ในตำแหน่งขอ ง, ของแพทย์ของพยาบาลทางด้านสาธารณสุขนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็คงจงคงจะคลี่คายนะครับนะเพราะว่าตอนนี้นี่ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าสังคมเรากำลังสู่เข้าไปสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับนะเหมือนกับ ญี่ปุ่นเหมือนกับประเทศจเจริญแล้วนะครับนะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้เลยอาจจะเริ่มมีผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องของสถานพยาบาลการดูแลอะไรต่างๆทางด้านสาธารณสุขก็ต้องมีการเน้นตรงนี้กันกันมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องตั้งรับให้ดีนะครับรัฐอาจจะต้องทําเป็นวาระแห่งชาติได้แล้วนะครับในเรื่องของของของผู้สูงอายุนะครับซึ่ง ในส่วนของกลุ่มสมัชชาสุขภาพนะที่ประชาชนรวมตัวกันนะครับมีการมาพูดมาคุยกันในประเด็น เ, เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลการพัฒนาผู้สูงอายุนี่เป็นประเด็นประเด็นหลักเหมือนกันที่หารือกันในส่วนของสมัชชาสุขภาพในแต่ละจังหวัดนะก็มีเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุเกี่ยวกับเรื่องของวัยรุ่นนะครับนะว่าวัยรุ่นนี่ก็มีปัญหา การตีกันบ้างการติดยาเสพติดนะครับนะก็ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่พูดมีการคุยกันนะครับนะก็อีกประเด็นหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของอาหารปลอดภัยนะครับเพราะตอนนี้นี่อย่างอย่างที่บอกแล้วครับว่ า, ามีอาหาราทั้งพืชผักนะของของการเกษตรนะใส่สารเคมีกันมากก็เป็นพิษเป็นภัยเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือว่ารวมทั้งพวกเนื้อสัตว์นะครับนะสัตว์น้ําสัตว์ทะเลมีการ ใช้สารปนเปื้อนกันมากนะสารฟอร์มาลีนสารแช่แข็งแรงต่างนี่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้ก็เป็นพิษเป็นภัยอาจจะต้องมีการมาเน้นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารปลอดภัยก็คงจะเหมือนกับในในประเทศในในยุโรปนะครับที่ที่เขาทําประเด็นการรณรงค์ของสมัชชาสุขภาพในในที่กําลังทําในแต่ละจังหวัดนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่หลายๆหน่วยงานเนี่ย จ, จะต้องต้องทําอย่างอย่างแท้จริงนะครับนะอย่างแท้จริง ส่วนเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุนี่นะก็คงจะต้องไม่ใช่คงเป็นไม่ใช่เป็นหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมอย่างเดียวนะจะต้องดูว่าจะเป็นหน้าที่ของชุมชนด้วยนะครับที่จะดูแลผู้สูงอายุในในชุมชนนะครับแล้วก็มีปัญหาว่าบา ง, บา ง, บ, า ง, บ, างบางผู้สูงอายุนี่บางบางครั้งลูกหลานก็ไม่ได้ดูแลไปทํางานนะครับชุมชนจะต้องดูแลนะก็เห็น ม, ม, มีมีหลายวัดแล้วครับพระคุณเจ้านะครับได้ทำโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับนะก็ให้ผู้สูงอายุมาวัดมาปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นโรงเรียนนะรตรวจสุขภาพกายบริหารก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีเป็นเป็นโมเดลหนึ่งที่ที่น่าศึกษาวิจัยนะครับนะว่าจะใช้ในการที่จะขยายไปไ ป, ไปทั่วประเทศได้หรือไม่นี่คือให้ใ ห, ให้ให้วัดเข้ามาช่วยนะครั บ, นะรบทำศูนย์ ผู้สูงอายุร่วมกับอบตเทศบาลนะครับหรือกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับตามชุมชนต่างๆนะ ก, ก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ดีมาติดตาม เ, าเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายลูกเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยครับว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งซึ่งมีการไปประชุมคณะกรรมการร่างนำนูนเมื่อวันที่ย2ิบสองพฤษภาคมก็ตอนนี้ในความเคลื่อนไหวคือ คณะกรรมการยกร่างนี่โหวตให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งเข้ามาทําหน้าที่แทนกกตจังหวัดนะก็คือจะไม่มีกกตจังหวัดเพราะว่าคณะกรรมการบางส่วนมองว่าจะถูกแทรกแซงจากอิทธิพลทางการเมืองนะก็เลยจะให้มีผู้ตรวจการนะครับการเลือกตั้งขึ้นมามาสอดส่องดูแลการจัดการเลือกตั้งของกกตเขาคงต้องต้องเตรียมรับละครับนะ ส่วนประเด็นคุณสมบัติของกกตทั้ ง, งกรกตชุดใหญ่เนี่ยนะครับก็จะอาจจะมีการออกบทเฉพาะการให้กกตชุดปัจจุบันที่มีปัญหาคุณสมบัติขัดกับ ร, รัฐมนูลเนี่ยสามารถดำรงตําแหน่งต่อไปได้หรือไม่นี่ต้องกําลังถกเถียงกันอยู่เพราะว่าเห็นว่ามีกกตหลายคนขาดคุณสมบัตินั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ยังตามอยู่เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายลูกลรัฐมนูญนะครับมาและฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อ ความมืดมิดชีวิตคิดเดินอย่างไรทางทางลาพลังยับยั้งชั่งใจให้ดียังมีแสงไฟความมวังจุดส่องนำทางหลากหลายผู้คนตั้งหวังให้เราต้อง บนความมืดคิดบอกชีวิตเข้มแรงแข็งใจหากเคยลม้ลมลงยังมีสายลมสายใจยังมีแสงชายความว่างจุดสองนำทางหลากไลายผู้คนเอาใจ ให้เราก้าวย่าร้องไห้กับฝันกับวันที่เดินลงทางคำคืนอ้างวางยังมีสายลงหายใจผ่านทางมืดมิดชีวิตต้องเดินก้าวไปยังมีแสงไฟ ฝาว่างจุดสองนำพาหลากไล่ผู้คนตั้งวังให้เราต้องอยู่ยิ้มให้กับฝันบนทางถนนคนสู่หยดคราบน้ำตาปาดเช็ดด้วยใจเราเอง ต้องเดินก้าวไปยังมีแสงไฟความว่าจุดสองนำทางหลากไล่ผู้คนตั้งวางให้เราต้องอยู่ยิ้มให้กะฟันบนทางถนนคนสู่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 พูดมาคุยกันต่อนะครับใ น, ในช่วงนี้นี่เป็นช่วงหน้าฝนเข้าหน้าฝนแล้วนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนี่นะครับนางกอบการวัฒนะวรางกู่นันตีท่องเที่ยวบอกว่าเป็นช่วงโลซีซันจํานวนคนท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะลดลงนะครับนะเพราะไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่หน้าที่จะเที่ยวเพราะฝนตกซึ่งตรงนี้นี่ รัฐบาลก็ห่วงนะครับว่ารายได้ท่องเที่ยวอาจจะพลาดเป้าที่ตั้งไว้ประมาณ 9.5 แสนล้านก็จะมีการประสานให้หน่วยงานของรัฐนะของราชาการกระทรวงทบวงกรมจัดสัมมานานพาข้าราชาการเจ้าหน้าที่ไปสัมมานาใ ห, ให้กระจายตัวกันไปทั่วประเทศโดยเฉพาะแถวแถวภาคอีสานเพราะว่าเวลาหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับจัดประชุมสัมมานาเนี่ยมักจะเน้นที่ แถวชายทะเลนะจะไปแถวภาคใต้บ้างแถวภาคตะวันออกนะครับนะแถวแถวอันดามันบ้างนะครับแถวาทางภาคใต้นะครับนะเอาไทยบ้างหรือ ว, ว่าทางภาคตะวันออกนะตามเกาะแก่งต่างต่ากาหรือแถวกรุงเทพมหานครทำให้ไรายได้นีนกระจุกนะก็อยากจะให้หน่วยงานเหล่านี้กระจายมาจัดาตามเมืองต่างๆแถวภาคอีสานแถวแถวภาคเหนือบ้างนะครับก็เป็นการ กระจายรายได้นะครับเพราะว่ า, า ใ, นในช่วงนี้ในโรงแรมก็มักจะลดราคาละครับนะอบรมสัมมนาอะไรต่างๆเพราะเราจะเห็นว่าในช่วงหน้าฝนนี่เป็นช่วง low season ถ้าท่านไปเที่ยวนะครับในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนี่จะเห็นว่ า, าราคาห้องพักก็ดีหรือว่าค่าบริการต่างๆนี่ค่อนข้างที่จะถูกนะเป็นช่วง low season น, นะครับนะซึ่งแต่แต่หลายคนก็ในในบาง ที่เที่ยวเนี่ยก็มีความสวยงามนะครับนะ ถ, ถ้ารู้จักแหล่งท่องเที่ยวนะโดยเฉพาะแถวภูเขาเนี่ยนะครับนะถ้าไปาชมน้ําตกบ้างนะครับหรือว่าในส่วนของอเมฆหมอกอะไรต่างๆเนี่ยทะเลหมอกเนี่ยจะเห็นอาจจะมีความสวยงามสูงนะครับนะถ้าไปช่วงช่วงหน้าฝนนะก็ลองลองไปชมนะครับนะซึ่งก็มีหลายสถานที่นะครับที่ นักท่องเที่ยวนะครับบางคนรู้นะครับ ว, ว่ามีตรงไหนสวยเนี่ยจะไปนะครับมาเผยแพร่ตามโซเชียลมีเดียกันมากนะครับในเฟซบุ๊กในต่างๆนะครับเท่าเท่าที่ดูเนี่ยนะครับตามภูเขาหลายๆแห่งนี้ก็ถ้ามีทะเลหมอกในเมือพวกเขาข้อทับเบิกหรือว่าแถวเขาทางภาคเหนือยินทนนบ้างนะครับนะหรือว่าแถวทางทางเลยทาง อีสานเหนือนะครับหลายๆภูเนี่ยก็สวยสวยงามนะครับเพราะฉะนตรงนี้นี่คงดูแล้วก็ในส่วนของอหน่วยราชการถ้ามีการกระจายการสัมมนาไปทั่วประเทศก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะทำอย่างไรที่จะให้การท่องเที่ยวหน้าฝนนี่เนี่ยได้ได้กระจายนะครับกระจายการใช้จ่ายนี่ไปไปทั่วประเทศเศรษฐกิจก็จะจะฟื้นนะครับนะก็คงจะต้อง หวังตรงนั้นเพราะการท่องเที่ยวนี่ก็เป็นเศรษฐกิจใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นเศรษฐกิจใหญ่ที่จะช่วยหล่อเลี้ยงผู้ค น, นหลากหลายนะครับเพราะนักท่องเที่ยวถ้ามาเที่ยวก็มักจะมาจับจ่ายใช้สอยอทั้งอาหารการกินที่พักนะครับนะนการประชุมสัมมนาพร้อมเพราะนั้นนี่ตรงนี้นี่คงจะต้องส่งเสริมกันจะส่งเสริมอย่างไรคงจะต้องอร่วมร่วมกันนะครับร่วมกันคิดในหลายๆส่วนนะครับแต่ซึ่ง ในส่วนของการท่องเที่ยวนี่เห็นกระทรวงท่องเที่ยวจะมาส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวสายทาบุญในแถวภาคอิสา์นี่เป็นสิ่งที่ดีเพราะามีะพระเกจิอาจารย์อยู่อยู่มากแล้วครับนะพานักท่องเที่ยวมาปฏิบัติธรรมมาชมวัดว า, ารามนะก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าชมหมู่บ้านวัฒ น, นธรรมหมู่บ้านพ้าไหมนะหมู่บ้านกเกษตรอินทรีย์ต่า ง, า ง, างๆก็ก็เป็นสิ่งที่ดี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 นนแล้วเราค่อยมารักกันให้มันสถาโลกาจะแก่ทำไมเมื่อใจมันปลาธนาชายโชดหรือยิงชั่วชาเดียงถอยวาจากห้องคนให้โทษโมราหรือว่ากาตีเมื่อรักไรทฤษฎีบางทีไม่มีเหตุผล คนเคียงคู่เป็นตัวเป็นตนยังคงดิน้นดนแย่งมา